กรูบาในวัดของเรามีเท่าไหร่ไปพระเวนวันนี้พระยี่สิบเจ็ดมาชันยี่สิบเอ็ดขาดไปหกองช่วงนี้ก็ฝนตกใครอยู่ที่ไหนก็ให้ละมัดระวังนะเวลาเดินให้ละมัดระวังถ้ามันถ้ามันรื่นหกลมไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ ลม้มลงไปแล้วอาจจะขาหักแขนหักหัวน็อกพื้นหลายอยา่างเพรานั้นให้ระมัดระวังการเดินแต่ทั้งนึงทั้งนั้นบอกตะคนอื่นหออลวงพ่ออาจจะวัดถนนเองก็ไม่รู้แะงไงวัดถนนไม่มีตลับเม็ดไม่มีหลักกิโลนเอาตัวเองวัดเลยถนนยาวขนาดไหน ในวันนอนวัดถนนวันนั้นละมัดระวังนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นกันบอกกล่าวคนไว้วัดของเรามันรื่นมันโดยมากมีคอนกรีตถ้าไม่มีคอนกรีตเป็นถนนก็ยิ่งรื่นเข้าไปข้างในเราอ้อมก็บรื่นหน่อยสมันมีคอนกรีตไม่ใช่วัดของเรามันเป็นลักษณะดินแข็งดินแข็งดินจอมปลวกมันดินเหนียวเหนียวนะทําไห้ละมัดระวังก็รื่นได้ไง่ายๆแต่ถ้าว่ารื่น ดินมันก็ไม่อันตรายเหมือนรื่นปูนซีเมนต์แต่รื่นปูนซีเมนต์รื่นกระเบื้องเนี่ยอันนี้อันตรายเพราะมันแข็งแต่ทีงไงก็ให้ระมัดระวังผู้สูงอายุค่อยๆไปถ้าไม่มั่นใจอย่าไปเหนั้นให้ไปทางอื่นถ้าจะไปก็ต้องระมัดระวังว่าไม่เป็นอันตรายค่อยเดินไปอันนี้นก็สุดแท้แต่เจ้าของเจ้าตัวเอง เป็นผู้รับผิดชอบทั้งร่างกายทั้ง จ, จิตใจถ้าเราไม่รับผิดชอบถ้าเราไม่ระมัดระวังทามันเสียหายหเกิดขึ้นมาเลยตัวเองก็เป็นทุกข์นานเท่านานทีเดียวเลย เ, ลยเลยพอมันมีปัจจุบันเหตุขึ้นมาแล้วขาหักแขนหักลงมาแ ล, ล, ล, ล, ล, ล้วแตนี่ยด้านหละเงเผลอเผอ ช, ชกชกโชยโชยเลยนี้เนี่ยชกชกโชยโชยกว่าชกชกโชยโยภาษาทางอีสานเลย จะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายพออยู่แบบลําบากเนี่ยอันนี้มันเป็นให้นมัดระวังสรุปแล้วก็คือกรรมคือการกระทําเหมือนกันการกระทํานถ้าวัดตัวเองรู้แก่ใจว่ามันจะริ่นตัวเองก็เดินไปเนี่ยเป็นการกระทําตัวเองขาดความรอบคอบเหมือนกันนี่ย น, นี่ก็พระใหม่เพิ่งบวชเมื่อวานสามรูป เพิ่มขึ้นสามรูปก็ให้ตั้งอกตั้งใจพระใหม่ทั้งพระใหม่พระเก่านั่นน่ะหลวงพ่อเองเข้มงวดกวดขันนะเรื่องพระนะทั้งพระใหม่พระเก่านั่นน่ะผมพ่อเองไม่อยากจะเห็นพระมีปัญหาพรพระมีปัญหาขึ้นมาแล้วมันเสียหายมากเพราะนั่นหลวงพ่อเองถ้าจะว่าไปแล้ว การปกครองพระของหลวงพ่อเนี่ยอยากจะไปทางพระเดชคำว่าพระเดชคำนี้ก็คือไม่ใช่พระเดชด้วยตัวเองพระเดชหลักธรรมวินัยหลักธรรมวินัยจากนั้นก็มองครูบาอาจารย์เป็นแบบฉบับอีกต่างหากไม่ใช่เอาความคิดความเห็นของตนเองเข้าไปว่าโดยทิฏฐิมานะ โดยความเห็นของตนเองแล้วก็ปกครองพระเนรไม่ใช่อย่างนั้นหลวงพ่อจะไม่ให้มีเราต้องมองแบบฉบับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นแบบฉบับมาแล้วและจากนั้นก็นามาแนะนำสั่งสอนพระเนรให้เป็นแบบฉบับต่อไปภายภาคหน้าแต่ถ้าว่าเราไม่ได้นำทำคำสอนของครูบาอาจารย์มาสอน ปล่อยปาละเลยเราเป็นคนหนึ่งองค์หนึ่งที่ทำลายกฎระเบียบของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้ศึกษามาแล้วเพราะนั้นเมื่อเราได้ศึกษามาแล้วเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อวงพระพุทธศาสนาต่อพระเนนไม่ทำให้เสียหายเราก็ต้องนำทำคำสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ทดลองทดสอบมาแล้วนำมาเผยแผ่ขยายผล ต่อพระเนนเพื่อให้อยู่ในกฎระเบียบแต่ก่อนหลวงพ่อเองก็ก็คิดว่ากฎระเบียบของครูบาอาจารย์ล้าสมัยไม่ถึงจะว่าล้าสมัยหรอกคล้ายๆว่าท่านอยู่ในกรอบตีกรอบให้พระเนนอยู่แบบหนาแน่นเกินไปแต่มาถึงเราเราก็ต้องยืดยุนนะทั้งครบคาสมาคมญาติโยมด้วยทั้งพัฒนาวัดวาศาสนาด้วย เพื่อเป็นการให้เป็นการปกครองต่อไปภายภาคหน้าจะได้รู้จักญาติโยมรู้จักคู่คนแต่ผลมันออกมามันไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่เราได้เจตนาดีอย่างนั้นมันออกไปอีกอูอีกรูปแบบหนึ่งมันไปอีกรูปแบบหนึ่งการคบค้าสมาคมการรู้จักคนทั้งที่จะเป็นผลดีนำมาใช้ในพระพุทธศาสนา กับปล่อยจิตปล่อยใจออกไปภายนอกกลับเอาผลข้างนอกมาทำลายพระพุทธศาสนาอย่างนี้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องเดินกลับมาหาทําคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินถึงจะเป็นทางคลุกขะถึงจะเป็นทางไม่ราบเรียบราพปรึ้นแต่ก็อยู่ในหลักพระธรรมวินยัย ถึงอย่างไรยังไงก็ประคับประคองทางว่าผู้มีปัญญาผู้มีสติผู้มีปัญญารู้จักเองอความพอดีสำหรับที่จะเดินต่อไปภายภาคหน้ายัางไงอันนั้นเป็นผู้รู้จักเองใช้ปัญญาพิจารณาเองถ้าทั้งโง่เชียงเดียวถ้ากีดกันไว้มันก็โง่อีกแบบหนึ่งถ้าปล่อยไปอีกมันก็โง่อีกแบบหนึ่งเพราะเหตุอะไรเพราะ ความไม่รอบขอบเพราะความโง่แต่ถ้าว่ามีปัญญาแล้วถึงจะยังไงก็ตามในขณะที่อยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่เพื่อการศึกษาเราก็ต้องเก็บตัวอีกแบบหนึ่งในเมื่อเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องเป็นหัวหน้าเราก็ต้องวางตัวอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ว่าอยู่กับครูบาอาจารย์น่นกระโดดซ้ายกระโดดขวากระโดดหน้ากระโดดหลังจนทาให้ท่านลาบากใจทั้งที่ท่านสอนแล้วบอกแล้ว ว่าควรจะทำอย่างนี้ควรจะทำอย่างนั้นตัวเองก็เป็นความคิดเห็นของตัวเองพลที่สุดก็ทำให้ท่านลำบากมีทางเดียวอปเปหิอะไนเนะีเอยถ้าเป็นอย่างนั้นมีทางเดียวคืออัปเปหิ่นนะหรเงี้อแต่ศัพท์นี้พวกญาติโยมคงไม่รู้จักแต่พระเนี่ยบวชมานานคงจะรู้จักคาว่าอัปเปหิในสมัยก่อน หลวงปู่ล่าท่านเคยเล่าพระออกไปทํางานข้างนอกพอไปทําข้างนอกก็ไม่ได้กาเปลี่ยนองค์หลวงปู่มั่นท่านก่อเรียนหลวงตาเรียนหลวงตาหม า, หาบัวบอกว่ากระผมจะออกไปทําอะไระไปเอาไม้หรือไปอะไรไปเอาฟืนหรไปอะข้างนอกวัดสองสามองค์พอต่อมาหลวงปู่มั่นท่านรู้เข้านี่ท่านชี้เลย ทำไมออกไปทำไมไม่บอกไม่กล่าวเราเราเป็นเจ้าอาวาสเราเป็นเจ้าของวัดทำไมใครเป็นคนบอกให้ไปเดี๋ยวเราจะไล่หนีเดี๋ยวนี้บอกว่าหลวงตามหาบัวหลวงปู่มหาบัวเป็นผู้อนุญาตฮะถ้ามาหาบัวเป็นใครทำไมจึงอนุญาตก่อนเราที่อนุญาตเราเป็นผู้ปกครอง ลงตามหมาบ่โอ้เป็นความผิดของเก่ากับผมเองกระผมคิดว่าพระพูแม่กุญจาร์ก็ขึ้นพักผ่อนก็เลยเห็นว่าจะไปก็ไม่ไกลพิจารณาดูแลผมไม่เห็นทันก็เลยอนุญาตกับผมกระผมเป็นความผิดของกระผมเองที่อนุญาตให้พระออกไปอันนี้ก็คือตามขั้นตอนก็เพราะเหตุไรผลที่จุดลงปูมันทนะั้งอ๋อไม่เป็นไรหรอก เราก็ต้องว่าไปตามเรื่องถ้าอย่างนั้นมันมีความคิดมันต้องสอนให้มีความคิดบอกให้มีความคิดอันนี้ก็คือที่หลวงปู่หลวงปู่ล่าท่านเล่าให้ฟังท่านยังมีสับอีกว่างเต่าไม่ไปเอาไฟจุดกน้นคล้ายๆว่าถ้าคนไม่มีความคิดมันจะไม่มีความคิดถ้าออกไปอย่างนั้นถึงถ้ามันเสียหายอะไรเกิดขึ้น เจ้วาดไม่รู้ครูบาอาจารย์ที่ปกคร้องไม่รู้มันเสียหายอา้าไม่รู้น้ําไปทังไงมันเสียหายไปทั้งบงทั้งยวงเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปอะไรต้องรับรู้ไว้ถ้าไม่รับรู้ก็ต้ององค์ที่ต่อไปรับรู้ว่ามีอะไรเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันก็ต้องลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นองค์ใดก็ตามที่จะออกไปในเวลาพิการต้องบอกลาจะก่อน ถ้าจะออกไปในเวลาพิการต้องบอกลาจะก่อนถ้าไม่บอกลาปรับประบัด ป, ปรับโทษนะอันนี้พระวินยัยท่านมีอยู่แล้วแต่ว่าตามไม่จริงของเรานี้มันต้องสําหรับเราเองเราเข็ดขยาดอย่างที่เรื่องผ่านมาเพราะนั้นเราจะต้องเข้มงวดขวดขันสําหรับพระเนนของเราพระเนีนของเร า, รเเรามีหน้าที่อะไรหลวงพ่อถามอย่างนั้นพวกเราบวชเข้ามามีหน้าที่อะไร พวกเราอยากจะทํางานใช่ไหมหรือพวกเราอยากจะเที่ยวใช่ไหมพวกเราอยากจะออกนอกวัดใช่ไหมให้บอกมาบอกมาก่อนนะหลวงพ่อจะเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินถ้าไม่เป็นอย่างนั้นหลวงพ่อบอกว่าพวกเราบวชเข้ามาเพื่อศึกษาหลักพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาข้อวัดปฏิบัติเพื่อชําระใจเพื่อชําระกิเลส ภายในใจของเราให้หมดจดให้หมดกิเลสตามหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตามพระธรรมคําสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พาปฏิบัติมาเนี่ยอันนี้คือเอันนี้อยู่ในกรอบอไปที่ไหนก็อยู่ในกรอบกรอบหลักพระธรรมที่ไหนไปอยู่ที่ไหนไม่เป็นพิษเป็นภยัยอยู่แบบมีความสุข พออยู term, Guys, u, ่ในหลักพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยคุ้มครองอยู่แล้วพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากเพราะพระตเจ้าท่านทํานายไว้แล้วอย่างนั้นถ้าผู้ปฏิบัติธรรมแล้วไม่อดไม่อยากถ้าออกนอกลูนอกทางแล้วการกระทําก็ดีการพูดก็ดีการคิดก็ดีออกนอกลูนอกทางนั่นละอดอยากตัวเองเป็นพระ พูดออกไปโดยที่ไม่ไม่ลักษณะเป็นพระตัวเองเป็นพระคิดออกไปในทางที่ไม่ถูกเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบพระไม่ใช่พระคิดเนี่ยไม่ใช่ความคิดของพระพุทธเจา้านั่นแหละออกนอกลูกนอกทางอดอยากถ้าว่าผู้ปฏิบัติธรรมพระธรรมยอม่ยอมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมแล้วพระธรรมจะรักษาเราได้ยังไงเพราะเราออกนอกลูกนอกทาง วันนั้นสิ่เหล่านี้ก็ฝากไว้กับพระเนนทุกองค์ตรอดถึงญาติโยมทุกท่านด้วยถึงอย่างไรยังไงใครอยู่ที่ใดก็ให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมตั้งอกตั้งใจภาวนาปฏิบัติรักษาศีลภาวนาเนี่ยแหละอันนี้คือหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านให้รู้จักหน้าที่พระกรรมฐานมีหน้าที่อะไร พระปริญจ์ผ้าเรียนหนังสือมีหน้าที่อะไรเมื่อเป็นหัวหน้าต่อไปภายภาคหน้าเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นหัวหน้าเราจะปกครองหมู่พวกเพื่อนอย่างไรในเมื่อเป็นลูกน้องหือเป็นลูกศิษย์เมื่อเข้ามาศึกษาเราควรทำตัวอย่างไรทำหน้าที่อย่างไรนี่อไม่ใช่ว่าเข้ามาเป็นลูกน้องปีนซ้ายปีนขวาปีนหน้าปีนหลังพอเป็นหัวหน้ามาก็ไม่ได้เรื่องอีกเ ไม่รู้จะพัฒนายังไงออมุ่งุ่งงามงามเที่จะพูดเป็นศีลเป็นธรรมที่จะพูดเป็นธรรมะนู่นเอาเรื่องทั้งโลกที่เขาพูดอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วเอามาพูดเอามาปรึกษาเอามาพูดออในหน้าที่ของตัวเองไม่ใช่เรื่องที่จะพูดนะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นพอสรุปแล้วก็คือไม่รู้จักวางตัวไม่รู้จักหน้าที่ของตนเองเมื่อเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งเราไปทําอย่างหนึ่งนั้นปีนเกลียวนะ น, นี่ะให้พวกเราใช้ปัญญาพิจารณาเมื่อมาศึกษาต่อไปเป็นผู้ใหญเ่เป็นผู้ใหญ่ผู้ปกครองหมูพวกเพื่อนแล้วควรจะทำตัวอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราทุกทุกท่านนะต่อนนี้ไปหลวงพ่อให้พรอนอนุโมทนาให้พรรับพร